นี่อย่างที่เราเห็นนะก็มีชาวจีนทั้งชายและหญิงนะจะบวชทั้งพระแล้วก็บวชชีัทั้งหมดที่ประมาณสามสิบกว่าคนนะก็เรียกว่าเดินทางกันมาตั้งแต่วันที่สิบหกนะมาด้วยศรัทธา<ม>ตั้งใจจะปฏิบัตินะไม่ใช่เพื่อทำตามประเพณีนะนะคนจีนเขาไม่มีประเพณีบวชเพื่อ ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะหรือวบวชเมื่อถึงอายุคนไทยจำนวนมากนะบวชก็ไม่ได้เพราะศรัทธาอะไรมากไม่ได้ศรัทธาในการปฏิบัติแต่มาบวชก็เพราะว่าอยากจะให้พ่อแม่ได้เห็นพระเหลืองอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็ขอร้องให้ลูกบวช ด, ด้วยซ้ำนะเพื่อว่า พ่อแม่จะได้เห็นพ่อเลืองของลูกก่อนตายแต่ว่าชาวจีนที่มาที่นี่นี่ไม่มีเหตุผลเหล่านี้นะมาเพราะว่ามีศรัทธาในการปฏิบัตินะมีความเชื่อว่าการปฏิบัตินี้นะมันจะมีผลดีต่อจิตใจทำให้ได้เข้าถึงความสุขอาตมาเคยไปไดรนิมบนให้ไปแสดงธรรม สอนกรรมฐานที่ประเทศจีนก็สมครั้งแล้วอาจารย์โนดไปมากกว่านั้นอีกนะเจดดครั้งแล้วมั้งหลวงพ่อก็เคยไปเวลาปฏิบัติธรรมก็มีคนมาร่วมปฏิบัติเป็นร้อยนะความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะคนเยอะนะแต่ว่าความตั้งใจนี้<ม>นะเรียกว่าเต็มร้อยนะหรือว่าเกินร้อยทีเดียวนะตั้งใจปฏิบัติกันมาก ทั้งๆ ท, ที่ก็สื่อสารกันด้วยภาษาไม่ค่อยได้มีหลายคนเขาคุยเขามาสนทนา น, นี่ mm hmm. ก็ได้เห็นความตั้งใจเขาเลยนะว่าเขาตั้งใจที่จะบวชเพื่อหรือปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานเลยอันนี้ก็น่าแปลกใจนะเพราะว่าเขาก็เรียกว่าห่างเหินห่างจากพุทธศาสนามานานนะประเทศจีนก็อย่างที่เราทราบ น, นะก็เคยตกหรือตอนนี้ก็กำลังตกอยู่ภายใต้การปกครองคอมมิวนิสต์นะ แต่แต่ก่อนนี่ศาสนาเป็นสิ่งต้องห้ามรนะวมทั้งพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นความรู้ความเข้าใจในศาสนาหรือแม้กระทั่งศรัทธานี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่งมีขึ้นมาในระยะหลังไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยนี่เรียกว่ามีพุทธศาสนาสืบเนื่องกันมานานเป็นพันปีแล้วไม่มีการสะดุดไม่มีการขาดช่วงเลยแม้แต่ลังการนียยังขาดช่วงนะ ศาสนาขาดช่วงไปไม่มีพระนะต้องให้พระไทยไปสืบต่ อ, อสมณวงศ์นะที่ประเทศศรีลังกาเมื่อตั้งสองสามร้อยปีที่แล้วของเรานี่ต้องเรียกว่าโชคดีนะที่ได้มีพุทธศาสนาสืบเนื่องกันมาเหมือนกระแส น, น้ำที่ไม่เคยขาดตอนแต่ว่าอ่านะ ความศรัทธาของคนไทยนะในพุทธศาสนาว่านับวันก็ดูจะน้อยลงนะแต่คนจีนนี่เขามีความศรัทธามากแล้วก็ดูจะเพิ่มขึ้นทุกทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีกปนะีอันนี้ก็มีศรัทธามากนะลา ง, งานมาบวชคนเหล่านี้นี่ก็เรียกว่ามีอาชีพที่ดีนะแต่ว่าเ้าคงจะพบว่า ไอ้ความสุขทางวัตถุเนี่ยมันไม่พอเพียงประเทศจีนตอนนี้่มีความเจริญทางวัตถุมากสามสิบปีก่อนนี่ล้าหลังเมืองไทยมากนะชนบทบ้านเรานี่ยังสบายกว่าคนที่อยู่ในเมืองจีนเมื่อ30สิบกว่าปีที่แล้วสิคนจีนที่สมัยก่อนนี่สามสิบสี่สิปีที่แล้วนี่เขาว่าได้กินเนื้อกันแค่ปีละสามครั้งเท่านั้นแหละ แค่ปีละสามครั้งนะั้นเนื้อเนี่ยนะเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยก็คงจะได้กินตอนวันกรรมกรแล้วก็วันตรุษจีนแล้วมั้งเพราะเป็นวันสําคัญของเขานะชนบทไทยเมื่อสามสิบปีก่อนนี้กินหมูกินเนื้อได้ถี่กว่านั้นสิอีนะสมัยก่อนเขาลาบากกว่าหมู่บ้านในชนบทแต่นี้เขาจเจริญ น, นะ จเจริญเรียกว่าทําเมืองใหญ่ๆของเขานี่มันลุดหน้ากว่ากรุงเทพซีกนะไม่ต้องพูดถึงเซียนะเซ่ยงไฮ้นะเซี่ยงไฮ้นี่มันจเจริญมานานแล้วแต่ว่าเมืองอย่างกวางโจวเนี่ยโอ้ตึกสูงนี่เป็นสิบยี่สิบชั้นนี่เยอะมากรดลดเมก็ดีกว่าของของกรุงเทพซีกนะคอสอมกอกเราเนี่สู้รถเมอในกวางโจวไม่ได้เลยนะทั้งทั้งที่เขาเพิ่งจเจริญมาได้สัก ยีปี30ปีมานี้เองนะของเรานี่เราพัฒนามาตั้งห้ปีมันแล้วแต่ก่อนนี่เขาล่าหลังกว่าบ้านเราตอนนี้เขาเจริญจเจริญมากเดีย๋ยวนี้กลายเป็นตัวคนจีนนี่กลายเป็นตัวชุดกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกให้เจริญนะเพราะว่าคนจีนไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปนะเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอย ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราที่ซบซานี้ก็กระเตื้องขึ้นมาได้เพราะเงินของนักท่องเที่ยวจีนเมืองไทยก็เหมือนกันนะมันตาลปัดนะแต่ก่อนนี่คนไทยต้องส่งเงินไปให้คนจีนยมพ่ อ, อยมแม่แต่วันนี้ส่งเงินไปให้พี่น้องเมืองจีนนี่มาตลอดเลยนะเพิ่งเลิกไปเมื่อสักยี่สิกว่าปีมานี่เองเคยไปเยี่ยมเขาเขาจนกว่าเรานะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วก็จนกว่าเรามากแต่เดี๋ยวนี้นี่เขารวยกว่าเราเยอะเลยนะ แต่เป็นเพราะความรวยนะเป็นเพราะความสุขความเจริญทางวัตถุ ก, ก็คงทําให้เขาได้เห็นนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนี่มีเงินมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้มีความสุขนะเขาก็เลยสนใจาศาสนากันมากขึ้นนะก็มีครูบาอาจารย์นี่ไปได้รับเชิญให้ไปสอนสมาธิที่ประเทศจีนกันหลายสํานักทีเดียวนะจนกระทั่งรัฐบาลจีนเริ่มกลัวแล้วนะตอนนี้ เขาก็มีคำสั่งว่าไม่ให้ไม่ให้พระพระไทยหรือว่าพระในประเทศต่างๆไปสอนธรรมะในประเทศจีนแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยตมาได้รับนิมนต์ทุกปีนะแต่ปีนี้ก็งดละเพราะว่าเขามีกฎหมายเขามีระเบียบอันนี้ห้ามอยู่รัฐบาลจีนของกลัวนะว่ากลัวศาสนามากนะเพราะว่ากลัวว่าศาสนานี่ะทำให้คนจีนเขา ผ่อนคลายนะรัฐที่อุดมการณ์หรืออจะกลัวว่าจะทําให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลก็ไม่ทราบแต่นี่คนจีนเขาก็มาปฏิบัตินะตั้งใจกันมากนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแบบอย่างเป็นอุทาหรณ์ น, นะสำหรับคนไทยว่าโอ้คนจีนนี่เขาเดินทางกันมาไกลามากเพื่อปฏิบัติแม้เวลาจะน้อยก็ยังอยากจะบัดปฏิบัติเต็มที่นะยอมโกนหัวบวชพระ นะผู้หญิงก็โกนหัวผู้บดชีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าโนมโมนานาะถ้าคนไทยรอมีความตั้งใจปฏิบัติอย่างคนจีนนะนะพุทธศาสนาในไทยก็คงจะเจริญกว่านี้มากนะเราก็เตรียมรับพอร์ตนะ